อ่านี่ช่องกลางแล้วไปทางนน้นดีกว่ามันว่างอยู่สองซิตตัวนี้จะตัวลงเอาเดอะไฟทิเบตเท็ดไลฟ์ก็ถ้าแรกเสร็จแล้วคือตามบุตรีเราผ่าน